<c oughs> นั่งขัดสมาธิโยมผู้ชายนั่งขัดสมาธิโยมผู้หญิงนั่งตามสบายอเอามือขวาไงทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตัก เอามือขวาไงถมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตาสังเกตดูลมหายใจของเรา ลมหายใจเข้าเป็นยังไงสังเกต ด, ดูลมหายใจออกเป็นยังไงถ้าไม่รู้ให้หายใจลึกๆสักสองสามครั้งหายใจลงไปจนท่อถึงท้องเ สักสองสามครั้งลมกระทบตรงไหนที่จมูกของเราให้ตั้งสติหรือตั้งใจคอยเฝ้าดูลมหายใจอยู่ตรงจมูกของเรา ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ต้องส่งใจตามลมไม่ต้องส่งใจตามลมออกไม่ต้องส่งใจตามลมเข้าคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าเห็นอยู่ที่จมกูกแห่งเดียว สมาธิเป็นของง่ายไม่ยากเกินไปถ้ายากพระพุทธเจ้าคงไม่สอนไว้แต่นี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำอย่างนี้มีมากเรียกว่าได้บรรลุมรรคผล เพราะทำจิตให้สงบนี้เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมามีจำนวนมากมายพวกเราก็ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ รู้ที่ไหนรู้ที่จะโมเห็นอยู่ตรงนั้นแหละคอยเฝ้าฝึกหัดอยู่ตรงนั้นแหละใจเรามันจะคิดนึกสงสยัยไปทางนั้นทางนี้เราก็ไม่ต้องส่งใจตาม เราส่งใจตามความคิดให้เอาจิตเนี่ยหรือสตินี่มารู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดนั่นแหละจิตจึงจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้เราทำถูกง่ายนิดเดียวถ้าทำไม่ถูกทำยังไงก็ไม่ได้ ถ้าทำถูกแล้วเหมือนเส้นผมบางภูเขาเอาออกแว บ, บเดี๋ยวเห็นภูเขาแล้วแต่ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยทำไม่ถูกเนี่ยงั้นภูเขาบางเส้นผมกว่าจะขุดกว่าจะเจาะไปถึงเส้นผมหนึ่งมันนานขนาดไหน มันต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าทำถูกทำเป็นเดี๋ยวนี้เราก็ได้สมาธิกันแล้วจิตเราอยู่ในลมแล้วจิตอยู่ในลมหายใจแล้วนี่แหละทำไปเรื่อยๆ อ, อัตมาธิบายไปก็ฝึกไป คอยหัดไปที่สังเกตดูลมกระทบตรงไหนในจมูกต้นจมูกก้างจมูกปลายจมูกกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าให้ใจส่งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อื่นๆถ้ามันคิดเราก็ไม่ไม่ตามรู้ เราก็ตั้งสติดูลมต่อไปใจเราก็จะสงบเยือเกเย็นสบายขึ้นมาใจเราก็จะสบายเรียกว่าใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิก็สบายหรือคนนะ ท่าใจไม่เป็นสมาธิมันก็วุ่นวี่วุ่ น, นวายวุ่นวุ่นวายยุ่งยากสับสนปวดหัวเพราะใจไม่สงบถ้าใจสงบแล้วนี่นสบายมากอะไรอะไรมันก็หายไปหมดเหลือแต่รู้เหลือแต่ความสุข ความสุขในใจนะเราเกิดมาเรามาหาอะไรเรามาหาความสุขได้เงินมากมากไม่ก็จะมีความสุขก็มีอยู่กันกันแต่ว่ามันสุกไม่นานแวบเดียวได้อะไรอะไรในโลกนี้ก็มีความสุขอยู่ แต่มันสุกนิดเดียวส่วนสุขที่เกิดจากสมาธิมันสุขนานหรือสุขที่เกิดจากเราได้มกักผลยิ่งสุขตลอดไปคําว่ามักผลก็คือเป็นพระโสรบันเป็นพระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามีเป็นพาาาระอรหันต์ถ้าเราสามารถทำให้บรรลุมรรคผลได้เราไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกเราเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหม ตลอดถึงเป็นพระาราหันเข้าพระนิพพานสุขที่สุดนิพพานังปาระมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในโลกนี้มก็มีอยู่อย่างที่อธิบายให้ฟังแต่มันสู้สุขในพระนิพพานไม่ได้ ฉกในพนันธ์ผ่านมันสุกละเอียดมันสุกลึกซึ้งมันสุกไม่มีอะไรจะเทียบได้เราจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่ได้แต่เราสามารถทําได้ไหมได้ทุกคนทําไมถึงจะได้ทุกคน ว่าทุกคนมีลมหายใจเข้าออกอยู่เมื่อมีลมหายใจเข้าออกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกใจเราก็สงบเท่านั้นเองเราคอยดูลมออกลมเข้าเราไม่ส่งตาบเรารู้อยู่ที่เดียวใจเราก็สงบใจเราก็รวมเป็นหนึ่ง หัวใจรวมเป็นหนึ่งแล้วเราก็พิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาตัวเรานีดิเดตัวเรานี่ประกอด้วามท่าศีทาาศีมีอะไรบ้างมีท่า ด, ดินท่าน้ำ ธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเนี่ยดินคือส่วนไหนดินคือส่วนที่เช่นแข็งทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนืเอ้อเย็นกระดูกเยื้อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตลอดมันสมองศีสัน อันนี้เรือวัดดินน้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำหนอง น, น้ำหมูกน้ำลายน้ำมูอันนี้เป็นน้ำอยู่ในตัวของเราเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลงเบื้องต่ำ ลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเผาอาหารให้ย่ยาอยเผาร่างกายให้สุดลมทำความอบอุ่นให้แก่ร่างกายมีความอุ่นอยู่ในตัวของมันอันนี้เรียกว่าธาตุไฟ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในตัวของเรานี่แหละถ้าเรียกว่าธาตุกรรมฐานพอเราพิจารณาไปเราก็จะเห็นจริงแงจ้งกระจัดขึ้นมาว่าตัวของเรานี่ แท้ที่จริงมันเป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแก่เก็บตายใครเกิดใครแก่ใครเก็ บ, ใ ค, กบใครตายตัวเรานี่เองเกิดแก่เก็บตาย ก่อนจะได้มาเกิดก็ยากแสน ย, ยากคนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยยากแสนยากเหมือนเต่าตาบอดเต่าน้อยตาบอดทั้งสองข้างอยู่ในทะเลมหาสมุทร ร้อยปีโผล่ศีรษะขึ้นมาจากให้พดน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็ดำลงไปหบร้อยปีก็โผล่หัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังที่จะให้ศีรษะสอดเข้าห่วงยางจะได้พักผ่อให้สบายสุกทีนึง แต่คุณโยมทั้งหลายไม่ขาวไม่ชี้ทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าเตาตาบอดอยู่กลางทะเลหลวงมันจะสามารถเอาห่วงเอาศีรษะเข้าสอดในห่วงได้หรือไม่ตาดีก็ยังพอจะมองหาว่าห่วงอยู่ตรงไหนอันนี้ตาบอดด้วยหาไม่เห็นเลย การที่จะได้มาเกิดเป็นคนมันยากก่า น, นั้นแหละถ้าได้เป็นคนแล้วน่อย่าให้คุณค่าของเราหมดไปให้รีบทํารีบให้ทานรีบรักษาศีลรีบปฏิบัติสมาธิวิปัสนาอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราเราเกิดมาแล้วได้โอกาสทําออ มีเง well, ินร้อยล้านพันล้านก็สู้จิตสงบไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ไปสวรรค์ก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ บุญบา ร, รมีมากได้สกิธาคามีสูงขึ้นกว่าโซดาบันบุญมากกว่านั้นได้เป็นถึงอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เลยสเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ในพร ม, มโลกสุทาวาสห้าชั้นอวิหาอาตัดปาสุทัศสาทุสทัศสีอากนิถาคนที่ได้อนาคามีแล้วไปอยู่ในพร ม, มโลกชั้นนี้ ห้าชันนี้ชันใดชั้นหนึ่งถ้าคนที่ได้บรรลุเป็นพระลาหันไม่ต้องเกิดในพมไม่ต้องเกิดในเทวดาไม่ต้องเกิดในมนุษย์อีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่กลับมาเกิดอีกเลยนี่เมื่อไม่มาเกิดแล้วจะอยู่ยังไงอะ เราก็อยู่พันิพาณนั่นแหละพันิพาณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ได้ไหมดแต่เราไม่ลงเกิดเท่านั้นเองนี่แหละทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละการบรรลุมรรคผลมันก็ไม่ใช่ของยาก ไม่ข้ามวันข้ามเวลาหรอกปัญญายานอย่างรู้ปับ๊บมันก็บรรลุแล้วเป็นพระโสดาบันนะละาศากายะทิฏฐิได้ที่ความเห็นว่าตัวของเหล่าตนของเราเนี่มันจะหมดไปจากใจเชื่อมั่นในคุณพระพลาสายเท่านั้นไม่หลงเชื่ออย่างอื่น ไม่หลงเชื่อจตุคามรามาทิไม่หลงเชื่อข่าวหรือฝ่า น, นั้นเดีย น, นีดีรู้ทันทีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะของพวกเรานี่อันนี้แท้จริง ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระสงฆ์อยู่ในใจเราไม่ต้องไปเกิดในภูมิจำแล้วมีความหวังที่จะได้เป็นเทพเทวดานี่หมายถึงว่าเราไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระสุรบันเพียงเรามีพระรัตนใจคือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเท่านี้แหละ ตายไปก็ไม่ตกตำ่ำหรือใกล้จะตายนึกถึงพุทโธธรรมโอสังโฆนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ก็สามารถไปสวรรค์ได้แม้ไม่ได้ทำ บ, บุญทําทานการกุศลอย่างอื่นมาเลยแต่เวลาใกล้จะตายเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธ เราก็สามารถที่จะไปสวรรค์ได้มันไม่ยากไปสู่วายะคุมก็ไม่ยากไปสู่สวรรค์ก็ไม่ยากไปสู่พระนิพพานก็ไม่ยา ก, า ก, ยากถ้ายากพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนไม่สอนไว้ถ้ามันเหลือวิสัยมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติได้ลเดะเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ไร้ประโยชน์แต่นี่พระองค์สอนไว้สอนวิธีปฏิบัติไว้พาก็ปฏิบัติกันโยมก็ปฏิบัติกันในครั้งอดีต บ, บริษั 4, ทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะปฏิบัติได้หมดทุกคนบนรรลุมรรคผลได้เหมือนกัน ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เวลานั้นเราปฏิบัติตอนไหนก็ได้ตอนนั้นไม่ใช่มีเฉพาะครั้งพุทธกาลคำว่าครั้งพุทธกาลคือสมัยพระุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนมชีพอยู่ยังไม่สลิยนิพพาน ไม่ใช่มีพระอรหันต์แต่สมัยนั้นหรือโสดาชกิทาคานาคาอรหันต์ไม่มีสเฉพาะแต่พระพุทธเจ้ายัางทรงชีวิตอยู่เท่านั้นตามใดคนปฏิบัติตามมักแปดจังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยมักแปดคืออะไรล่ะมักแปดก็คือศีลสมาธิปัญญา นั่นเราหัดทุ่นี้ก็ถูกแล้ว เ, เดินตามมาร์ปดแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราทำไปเรื่อยๆสมัยนี้ก็ยังวันรู้ได้เพราะพระธรรมะไม่ประกอบด้วยการทําเวลาเช้าก็ได้ตอนเช้าทําเวลาเย็นได้ตอนเย็น ทำเวลากัางคืนก็ได้เวลากัางคืนขอให้ทำแรกๆมันไม่เป็นหรอกมันไม่ง่ายหรอกเพราะมันไม่รู้จักวิธีแต่ถ้ารู้จักวิธีแล้วมันง่ายทำปั๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีเลยเห็นไหยญาติโยมข่าวไม่ชี้พันทั้งหลายก็หมดลมหายใจเข้าใจออก พอเห็นความสงบภายในนล่วเห็นความสงบทางใจนล้วนั่นแหละมันได้แล้วนถ้าพิจารณาให้ราละเอียดว่างกายนี้เป็นธาตุสีมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือทางเดินไปสู่พระนิพพานหรือบันไดที่จะขึ้นไปสู่พระนิพพานไม่ใช่ตัวพระนิพพาน ถ้าพิยนาเป็นร่างกายเป็นธาตุสีเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันจะเข้าสู่ประตูพระนิพพานได้เลยนี่แหละให้พิจารณาลงไปลงไปที่ตัวเรานี่แหละไม่ใช่ตัวคนอื่นหรอก ปฏิวัติไปอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจลองถามดูสิว่าเราเกิดมานี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรจะมาทำงานทำการหาอยู่หากินแก่เท่ามาก็ตายไปเียงเท่านี้หรือ ถ้าเราทำเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีค่าอะไรตายจากมนุษย์แล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนอยากมากที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษนย์แต่ถ้ายังรักษาศีลปฏิบัติทำอยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไม่อยากแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินี่ยกินอยู่หลับนอนทำมาฮาเลื่อนชี น, นี่ไม่ถึงไม่สามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ไม่สามารถที่จะไปพระนิพพานได้จุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจลาาพิกเวจาริกังเจลาาพิเวจาริกังูาางชนะยะขายะโลกาโนกรมปายะ จะละทาทิศเวรีพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อฟูนเพื่ออนุเคราะห์สงเคาะโลกพระพุทธเจ้าสาาั่งพระหกสิบองค์องค์ไม่ให้ไยทางเดียวกันให้ไปคนละทิศละทางให้ไปคนละทิศละทาง ไปทำประโยชน์โลกให้โลกได้ฟังธรรมให้ชาวโลกได้ฟังธรรมให้ชาวโลกได้ปฏิบัติธรรมให้ชาวโลกได้มาได้ผลได้พระนิพพานขึ้นมาในใจอย่าไปกันสององค์ในทางเดียวกันจงไปคนละสายละสายละสาย เราเองหมายถึงพุทธเจ้าก็จะไปสู่รูุเวลาเสนานิคมพระพุทธศาสนาน h i s เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของใครคนหนึ่งคนเดียวเป็นของโลกเลยพระพุทธเจ้าแต่ละโลกาลกรรมปายะเนี่ยไปอนุเคราะห์โลก ไปสอนชาวโลกให้เขารู้จักให้รู้จักอะไรล่ะก็ให้รู้จักทานรู้จักศีลรู้จักภาวนานี่แหละให้เขาได้ประโยชน์แม้ก่อนปรินิพานพระพุทธเจ้าก็สอนไว้สอนไว้เหมือนกันก่อนปรินิพานขยว่วยธรรมสังคาราอภมาเทนะสัมปะเทธาติ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็คือเลือกมรรคผลนิพพานเลยให้ทำให้มันได้ขึ้นมา ให้มันได้บัคผลขึ้นมาท่านได้ให้มันได้พระนิพพานขึ้นมานะประโยชน์ของตนเนี่ยพอประโยชน์ของตนหมดแล้วได้เต็มบริบูรณ์แล้วก็ทําประโยชน์ของคนอื่นทําประโยชน์ของคนอื่นประโยชน์ของคนอื่นคืออะไรคือให้เขารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์ ให้เขาได้นักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงนั่นแหละเป็นดัางนั้นให้เขาได้ทาวุญทาทานให้เขาได้รักษาศีลรูจ้จัก่อโทษบาปเป็นยังไงความดีความชั่วเป็นยังไง ให้เขาได้ปฏิปฏบัติสมาธิวิปัสนาให้เขาได้หัดสมาธิให้โลกสาวโลกได้หัดสมาธิได้หัดวิปัสนาคือพิจารณาอตภาพตัวตนให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคัาวิปัสนาคืออันนี้แหละคือเห็นตัวตนของเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อนาจ่าคือไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นสารเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเราก็ อ, อาศัยมันชั่วละยะสามหนึ่งเท่นั้นเองเกิดมายากแสนยากนันน่ะถ้าทำสมาธิไม่ได้หรือไม่มีมากมีผลขึ้นมาเนี่ยมันเสียเวลาจริงๆ มันน่าน้อยใจเกียดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรตายไปเปล่าๆศูนย์ไปหมดไปร่างกายนี้มดความหมายเลยต้องทำให้มันได้จำวิธีการนี่ไวให้ดีแล้วไปฝึกที่บ้านต่ออีกทีฝึกทุกวันไม่ตองมาก เอาวันละสิบนาทีอาทิตย์เราก็ได้หลายนาทีแล้วปีหนึ่งอะ่ะสามเดือนเราหัดอยู่ได้กี่นาทีมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ต้องเอามากเอาวันละสิบนาทีก็เอาต่อมันมีศรัทธาแล้วจึงเอามันเป็นชั่วโมงนั่งให้จิตสงบ คอยดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูลงไปเราจะอยู่ที่ไหนก็มีลมไม่ใช่เหรอเรายังไม่ตายอ่ะเรานั่งอยู่เราก็มีลมนะเรานอนอยู่เราก็มีลมเรายืนอยู่เราก็มีลมเราเดินไปอยู่ก็มีลมก็คอยกันหมดจบนั่นแหละอยู่เรื่อยๆ ทำงานบ้านอยู Ü ่ก็กำหนดรูลมเรื่อยๆนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็กำหนดรูลมเรื่อยๆเดินจงกรมหรือไม่เดินจงกรมก็กำหนดดูลมเรื่อยๆอิจของเราก็จะสงบสบายขึ้นมาสบายคือนมาที่ไหนที่ใจของเราเอง นี่แหละอันนี้คือสุขที่แท้จริงส่อนสุขอื่นเป็นสุขเทียมสุขจากสมาธิจากมรรคผลนิพพานนี่อันนี้เป็นสุขที่ถาวดเป็นอมตะสุขเป็นสุขที่เที่ยงแท้ทำไปอย่าหมดกำลังใจ เราเพิ่งเริ่มต้นวัดเราก็เพิ่งสร้างเพิ่งได้รับอนุญาตให้เป็นวัดมีชื่อมีทะเบียนในโครงการศาสนานั่นแหละเราอย่างนี้ก้าวต่อไปอยู่โอกาสอื่นเวลาอื่นท่านก็คงจะให้มีการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไปเรื่อย นี่แหละเราก็มีโอกาสมาหาเวลามาฝึกเพิ่มเติมทำไปอย่าหมดกำลังใจอุ๊ยเรานั่งอยู่คิดวุน่นวี่วุนวน่นวายอย่างนันอย่างนี้เราอย่าไปคิดว่าโอ้มันไม่ไม่ไหวหรอกทำไม่ได้หรอกอย่าไปคิดเขาจาะ บ, บอ่อบาดานนะั่น่ะ เขาก็จะเจาะ จ, จาก พ, พื้นดินเข้างบนนี่ยลงไปก่อนเจาะไปเจาะไปเจาะไปจนทะลุหินเลนยนะมันถึงเจอน้ำเจอน้ำแล้วก็สบายเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึงไม่ลำบากให้มันทะลุลงไป เปรียบเทียบก็บมกเมือนกัหมอนญาติโยมทั้งหลายหรือท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่ปฏิบัติไปมันจะสงบหรือไม่สงบก็ปฏิบัติไปอย่าท้อถอยอย่าละความพยายามให้ทไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ทำสองวันก็ทำสามวันก็ทำทำเป็นเดือนเป็นปี ทำไปจนตลอดอายุไข่ทำไปจนถึงวันตายเพราะมันเป็นของดีพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อลกูกเพื่อทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนในการปฏิบัติเนี่ยอาณาปานสติท่านว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก มีคนตายเท่านั้นที่ไม่มีลมเข้าออกสำหรับคนเป็นแล้วมีทุกคนเมื่อมีอยู่มันก็สามารถกำหนดได้สามารถทำใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้มันก็แค่นอนน่ะสินี่แหละคัดไปทำไปเราเพิ่งเริ่มต้น เอาให้มันละเอียดเอาให้มันจนกระดูกเป็นแก้วน่เลยนะถึงพระอรหันต์กระดูกเป็นแก้วเลยไม่ใช่ไม่ใช่พระอย่างเดียวนะสำเดชนับผลนิพพานนะโยมก็ได้เหมือนกันได้เป็นพระอรหัตอรหันต์ได้เหมือนกันคารวาะเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ในวัดก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้ มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ในวัดเท่านั้นถึงจะนั่งสมาธิได้เจอหน้าหลวงพ่อโอ้ตอนนี้ยุ่งเยอะยุ่งงานมีงานเยอะไม่ได้ภาวนาเน่เขาเรียกว่าไม่รู้จักการภาวนาการภาวนานา่มันกำหนดอยู่ที่ลมเรายืนอยู่ก็กำหนดลมได้นอนอยู่ก็กำหนดลมได้ ลูกหลานนอนหลับแล้วเราก็นั่งสมาธิของเราทำไมเราจะทำไม่ได้คนไม่เข้าใจเฉยๆการทิจารณาความเกิดความแก่ก็เหมือนกันเราก็แก่มาเรื่อยๆแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กนัอจากคันวานดามาก็เป็นเด็กอยู่ก็แก่ขึ้นแก่ขึ้น สุดท้ายก็ต้องตายไปคนที่อยู่ก็ต้องตายไปมันแก่ขึ้นเต็มที่แล้วก็ตายก็เหมือนนั้นลูกพลาลูกตาดนหมือนกันนะมันแก่แล้วก็หล่นมันใบไม้ตอนนี้มันก็เขียวอยู่ตกหน้ารอดหน้าแรงหมาบก็ใบเหลืองต่อไปมันก็หล่ชีวิตของเราเหมือนกันเกิดมาแล้วมาแก่มาเกิดมาตาย ใครไม่เคยเก็บก็ไม่มีหรอกหายากส่วนแกตลอดการอยู่แล้วส่วนเก็บดีกว่าบางข้างก็มีบางข้างก็ไม่มีแต่คนไม่มีเล ย, เยหายากที่สุดแทบจะไม่มีเลยแทบจะหาไม่ได้นั่นแหละดูสิอันนี้มันก็เป็นมีปรัชนาอยู่ในตัวแล้วเราไม่ต้องไปหาที่อื่นความเกิดแก่เก็บตายเนะี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้ว มันเป็นอริยสัจสีอยู่แล้วเราเอาอริยสัจสอริยสัจสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ทุกทุกคืออะไรทุกคือความเกิดทุกคือความแก่ทุกคือความตายใครเป็นผู้เกิดใครเป็นผู้แก่ใครเป็นผู้เ็บใครเป็นผู้ตายเพราะตัวเราเป็นผู้แก่ผู้เก็บผู้ตาย ที่นาโลวาที่ตัวเรามันก็เห็นความจริงนั่นเองสมาธิเราดีปั๊บมันก็เปิดเผยความจริงให้เห็นเลยแต่นี้เราไม่เห็นพระเเผาศพคนคนตายคนนั้นคนนี้เราก็ยังน้อมมาเป็นธรรมไม่ได้เราน้อมโอปนยิกโกน้อมสิ่งที่เห็นเข้ามาในใจเรามาใส่ตัวเราเรายัง ทำไม่เป็นเห็นคนตายก็เห็นคนแก่ก็เห็นคนเจ็บก็เห็นแต่เราก็ไม่เห็นทมทำไมไม่เห็นทมเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าโอปณญญิโกที่เราสวดมนต์กันอยู่นะ่ะโอปณญญโกแต่ว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวเราว่าตัวของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน หนีความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เลยถ้าน้อมเข้ามาพิจารณาตัวเราโอ้ตัวเราอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนสัตน์หนถ้าเราไม่มีมากไมีผลไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ว่างเปล่าไม่ได้อะไรเลยนั่นจิตใจเราอดุด เข้มแข็งขึ้นมาความใจเราเข้มแข็งแล้วเราก็สามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้คือจิตเป็ น, นสมาธิเข้มแข็งแล้วนะมันสามารถที่จะชำระชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีพาาระอรหันต์ ถาหลานจะมีอยู่เป็นโยมก็มีเป็นทาสก็มีเป็นผู้หญิงผู้ชายมีหมดถ้าปฏิบัติแล้วมันมีนอกากศาสนามีไหมเพระพระพุทธเจ้าว่าร้อยนกในอากาศไม่มีชั้นใดมรรคผลนิพพาน นอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มีมีในเฉพาะพุทธศาสนานี้เท่านั้นทำไมจึงมีในเฉพาะพุทธศาสนาก็เพราะพุทธเจ้าแสดงอริยสัจสไว้แสดงอริยวัคคีย์องค์แไว้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมา ความอยากมาสมาสติสมาสมาติมากแฟดนันเดอะสมาสิมมาสมมาทิความเห็นชอบเห็นอะไรเลยเห็นชอบอะ่ะเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายวนมาที่นี่เหมือนเดิมเห็นชอบส ม, มาฉงนท์ปะดำดีชอบดำดีออกจากตาม ดำดีไม่พยาบาทดำดีไม่เบียดเบียดคนอื่นนะ่อันนี้มันเป็นปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนใครเป็นคนดำดีใครเป็นคน เ, นเป็นสมาธิเพราะตัวเราอยู่ที่เรานี่เราอยาอยู่ที่อื่นพานี้พักก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละพอเราเห็นจริงแจ้งกระจักในอริยสัจสเราก็บรรลุนิพพาน ถึงนิพานเลยถ้าเราเห็นอริยสัจสี่ชัดเจนในใจของเราเราก็ถึงควานิพานเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ที่อื่นถึงว่าให้โอปันให้ญีปุ่เห็นใบไม้เหลืองโนจากคั่วก็คิดเปรียบเทียว่าเราก็เหมือนกันหรือมนุษย์โลกก็เหมือนกันเกิดแก่เก็บตาย มาลงที่นี่เล่าวีโอ8มันไม่ได้อยู่ที่อื่นสมากรรมตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจาเจรจ า, าชอบใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนเป็นก็ตัวเรานัคนเองนี่แหละ สัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบมันอยู่ที่ไหนล่ะถ้าอยู่ที่เราเหมือนเสาเหมือนเดิมนั่นมาคนที่ผ่านเรามองไปโู้นสูงข้าอุย้ยสูงเหลือเกินชีวิตนี้ไปไม่ถึงหรอกตายเปลาแล้ว ถูกหรือทีิ ด, ดแน่นอนนั่นคิดแต่แท้ที่จริงว่าคน้ี่าันมันอยู่ที่ตัวเราเองเถ้าเราทาได้ทาถึงปั๊บมันก็บานรูไปเลยงั้นเราสอดได้สอดเข็มเนี่ยเอาเชือกอสอดเข้าไปในรูเข็มมันก็ผิดบ้างถูกบ้างทำไปทำมามันชนานาญสึ้ นู่นมันนิ่งขึ้นก็สอดรับเข้าไปได้เลยจิตของเราก็เหมือนกันฝึกให้มันอยู่กับบทวลิรร ม, มนเนี่ยคือลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความชำนาญมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิแก๋กาแล้วหรือว่าดีแล้วมันก็สามารถที่จะ ที่เจรนาให้เห็นจริงแจ้งประจั์ขึ้นมาบอคนเรามีความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ความตายเป็นธรรมดาเรานี่เองเป็นคนแก่เก็บตายไม่ใช่คนอื่นนี่เห็นชัดขึ้นมาในใจละความยึดความถือได้หมดยึดว่าเราว่าของของเราว่าตัวตนของเราเอตังมะมะเอโสอหะมะสบินเอโสอเมอาตาตีลากหมด อันนี้เป็นของเราอันนั้นเป็นของเราเรายึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายมันก็ไม่ถิงแตถ่ถ้าเราเห็นจริงว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงตัวเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆวางใจได้เลยคิดเราก็บันลุมักผลนิพพานละอุปทานทั้งสี่ได้ละสามละทีเด็ดตัณหาอะไรได้หมด เราได้หมดเราวิชาได้ทุกที่เราจะได้รับทุกภบทุกชาตินานแสนนานมันหมดไปมันไม่มีทุกข์อีกแล้ว ข, ขันนี่คือร่างกายนี่เนี่ยมันทุกข์เฉพาะชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย แต่ใจยังต้องเป็นสเมื่อมืม่อ ม, ม, มีขันอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่บ้างเวลาเจ็บปวดก็รู้ว่าเจ็บปวดเป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่าโอ้เจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้มันก็ยังมีผูแย่เอาความสุขไปอยู่แต่ถ้าเราตายวับความสุขก็เป็นธรรมาตาเลยเรียกธรมาตามหาิขการ ไม่มีวันตายไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปนะทุกชาตินี้เป็นชาติดท้งนะใครลราเป็นผู้ได้ใครลราเป็นผู้ถือตัวเรานี่เองเป็นผู้ได้เป็นผู้ถือหัวเมียอยู่ด้วยกันเมียทำแต่หัวไม่ทำหัวก็ไม่ได้มาขุนนี่ผ่านเมียทำเมียก็ได้ ถ้าเพว่อเมียทำด้วยกันมันคงเป็นครอบครัวอาริยะถ้าได้บรรลุแล้วเป็นครอบครัวอาริยะเป็นครอบครัวที่จเจริญครอบมีจะทรรมอ่ะไม่มีความทุกข์รู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งรู้ จ, จนไม่กลับมาทุกข์อีก ในวัดตาชงสาร น, นี้เราทุกในการมาเกิดในวัดตาชงสารนี้ไม่ใช่ในน้อยสี่นอนน้อยกับในน้อยกันมันเป็นแสนแสนกลับเราเกิดมาเนะี่ยว่าเราจะบรรลุมรคนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่ตามสภาพหาอยู่หากินแกเท่าตายไป น, นับประมาณไม่ได้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่ จะเกิดเป็อนอะไรบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จะเกิดเป็อนอะไรเราก็ไม่สามารถกำหนดรู้ได้แต่ถ้าว่าบันรู้เป็นพระโสดาบันแล้วเราก็หนุนได้เลยเกิอดอย่างาที่สุดเจ็ดชาตเท่านั้นเองอเกิอดอย่างชาที่สุดเจ็ดชาจางกังโอลังโอลัก 2ชาติ3ชาติเอและพิชีเกิดชาติเดียวพอสุราวันแยกเป็น3ถ้าอย่างอ่อนกเกิด็ดชาติอย่างกลางก็2 3ชาติอย่างดีก็ชาติเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นอย่างนั้น ภากิทาคามีก็ไม่ก็เกิดเพียงชาติเดียวผ้นะานาคามีไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์เลยอยู่คอมมอนโรผ้ า, ารหันไม่เกิดในโลกไหนนี่ใครเราเป็นผู้ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ตัวเราเองให้ทำเอาเอง ฟังทำรู้แล้วเข้าใจแล้วให้ไปหัดไปหัดทำเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราบรรลุว่าเราละได้ไหมละ ก, กิเลสได้ไหมละความโลภละความโกรธละความหลงได้ไหมถ้าเราละได้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเนี่เราก็รู้แล้วเห็นชัดเลย แค่นี้ในใจของเรานี่ยว่าเรานิรภัยได้แล้วตายก็ไม่หวั่นเพราเรานีภักได้แล้ ว, ว, ว, แ, ลวแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุเสียดายเสียดายการมาเกิดอยู่ 5, ้าสิบปี 70, ็ดปีแปปีอยู่ในโลกอยู่กินข้าวแล้วก็รอวันตาย เช่อเฉยเชื่อเชื่อ อ, อย่างงมงม้าพี่เดียวเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีอยู่พระธรรมก็มีอยู่พระสงฆ์ก็มีอยู่พระพุทธเจ้ามีอยู่ยังไงธรวินัยของพระพุทธเจ้ายังอยู่เป็นศาสนาแทนเราแต่ฐานพุทธไว่าร่างกายพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแต่พระพุทธเจ้ายังไม่หีจากเรายังมีอยู่ คือทมคือวินัยของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่คำสอนของโภคยังมีอยู่ไม่ได้ที่ผ่านไปด้วยกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ดี่ผ่านไปด้วยกับพูะพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ยังมีอยู่ยังคงอยู่เราสามารถปฏิบัติตามได้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่ผู้รู้ผู้เข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็ยังมีอยู่ ถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็หนีทุกในชาตินี่แหละแต่ถ้าเราประมาทเนี่ยไม่ว่าจะมาสอนมาเทศจงไงก็ตามไม่สนใจไม่สนใจนี่แหละไม่สนใจเลยอันนี้ช่วยไม่ได้เค้าเรียกว่าพูดประมาทพูดประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้ว อยู่ในโลกถ้าประมาทสู้เด็กคนเดียวสู้เด็กที่เกิดวันเดียวไม่ได้เด็กที่เกิดวันเดียวมีความภาควูมเพียนมีความอมดมทนมีความตั้งใจจริงมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าคนที่เกิดร้อยวันพันปีแต่ไม่มีความภาความเพียง ไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ร้อยสี่ก็ไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีควา ม, มาหมา ย, ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันไม่มีค่าจริงจริง อ, อยู่จนเฒ่าจนแก่ก็มีความหมายถ้าไม่ทำความภาคภูมิเพียรไม่ปฏิบัติธรรมเกิดมาเล่นเฉยเเกิดมาแย่งอาหารของโลกเขาเฉย มาแย่งแฉดินอยู่เปิดมาไม่เอาความจริงไม่เอาของจริงไม่เอามาเอาผลไม่เอาพอดีผ่านให้ได้มันเสียเวลาจริงจริงจริงจริงตายเปล่าจริงจตายละลายจริงจริงถ้าใดมาเอาผลโซดาสวีทาคาณาคาลหันเออคอยยังชั่วหน่อยในโซดาก็ยัง นี่มันไม่ได้โชดา่ามันได้แต่แค่สิโฟลามันจะมีประโยชน์อะไรก็ไม่ได้อะไรเยเวลาเกิดมาเปล่ า, ามาอยู่มากินของโลกสมบัติของโลกเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำไปทาไปมันเป็นมันได้มาขดขึ้นมามันมีความหมายที่สุดเลยวันนี้ก้มโศกนั่งอยู่ก็เป็นโศานอยู่ก็เป็นก หลับไปแล้วก็ยังเป็นสุขเตือนขึ้นมาก็เป็นสุขสุขอยู่ที่ไหนสุขอยูนในใจนะทำไมสุขอยู่ในใจเขามักผลนิพพานมีเต็เตีเตเยงอยู่แล้วมันก็เป็นสุขพนิพานเป็นสุขอย่างยินะง่งเป็นสุขสุขอยูในใจนะอธิบายให้ก้อนฟังอื่นฟังก็ไ่เข้าใจต้องให้คนนั้นทำจนสามารถบรลุไปเขาถึงจะเข้าใจ ถ้าบรนลุไปแล้วก็โอ้รู้แล้วโอ้ดีจริงๆดีจริงเออได้เจอของจริงแล้วได้ของดีแล้วนั่นแหละขอยหัดเอาทำเอาใครคิดว่าลมอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นสติใจสติลมอยู่ในื่อัน เห็นชัดเกิดความสงบที่จะละนาแยกแยะออกไปตัวตนของเราเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอาโครงกระดูกโชคไว้ตั้งไว้เราเห็นแล้วว่าโอ้ถ้าเอาเงาเอาหนังออกแล้วมันก็เหลือแต่โครงกระดูก ถาเอามาคลองไว้เนี่ยให้ไปเลือกเอาไปในโครงกระดูกของไทยนี่เลือกไม่ถูกเลยสักร้อยอันสักร้อยโครงกระดูก เ, เอาไปไว้เลเราจะจำไม่ได้เลยว่าอันไหนเป็นของเรานี่เราคือของจริงเกิดแก่เกิดตายเป็นของจริงเรามาเข้าใจเพียงเท่านี้แหละเราก็สามารถตัดกิเลสอาสวะออกจากใจได้สามารถบรรลุมรรคผลได้ นี่แหละขอให้ตั้งใจจริงเห็นไหมกินเราเป็นสมาธิมันไม่เก็บแห้งเก็บขาเลยนั่งหไวัยปวดโอ้ตามเมื่อตามตัวนั่นแหละคือมานหันทามานมันกลัวเราจะได้ดีมันกวนไว้ขันมันเป็นมารมันตัดรอนฟังอาตมาอธิบายไป ก, ก็สงบแลวใจสบายเลเห็นความสุขเลยก็ถืว่ได้มือนกันอย่างนั้นกลับบ้านแล้วก็หัดต่อยเดินจงกรมก็ามนั่งสมาธิก็ตามก็กำหนดรู้ลมทำธุระหน้าที่อยู่ก็กำหนดรู้ลมเห็นลมหายใจของตัเองอยู่ตลอดนี่แหละเราจะเห็นความสุขตลอด พู้ที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ท่านจะมีสติเห็นอยู่ตลอดเลยเห็นลมเข้าออกตลอดถึงไม่ได้กำหนดมันมก็รู้อยู่งั่นตลอดมันเป็นสัมประชัญญะมันเป็นความรู้สึกตัวอยู่นั้นตลอดถ้านที่ว่าพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์นี่นเป็นมหาสติจะเห็นอยู่นั่นตลอด ฟางคนอื่นเทศฟางคนอื่นแสดงธรรมหรือฟังคนอื่นธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่เสียสูญมันก็ยังเห็นอยู่มันตลอดใจมก็สบายอยู่ตลอด